بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على شرف الأولين والأخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه و م ن ت ب ع ه م بإحسان إلى و د ي ن ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سرد و الأمفال ل أ ئ م ي ن ا رحب ก็จะครบรวนการอธิบายคาดว่าอีกสองสองกับครั้งนี้กับครั้งหน้านะครับเป็นส่วนมากนาจะจะพยายามให้สิแล้วก็จะบึกเสาะกับพี่น้องว่าหลังจากสู่ระดับลำฟ้าแล้วเนี่ยเราน่าจะ ที่ว่าครบสิุจกัลกุรอานจะขอเนีพี่น้องฮักฮักกดฟซีรแล้วก็เรียนฮานิสกันหน่อยจะบุครียเพิดนีมันบรีก็จะขอเนี่ยพี่น้องฮักดฟซีรแล้วก็ีบาสริร แล้วก็เดือน ر م ض อนก็เช่นเคยก็จะพักตอนดเดือนถ้าหากไม่เกิดไม่มีอะไรเกิดขึ้นที่ไม่พึงประสงค์อะนะอะไรคล้ายๆเรื่องโควิดอะไรแล้วก็มาต่อกันก็กันหลังเดือน رمضان ช่วงหลังอีกอีดดนฟิ้รอธิบายฮะดีสมั่นะ ใส่บุคคลีสักพักหนึ่งไเนรู้ฮาดีสักสี่ห้าเดือนน่ะนะแล้วก็กลับมาพระสุรัตตวาเนี่ยก็เป็นสุราที่ค่อนข้างค่อนข้างยาวแล้วก็มีเนื้อสาระที่คนข้างเยอะเข้มค้น แล้วก็มีความคล้ายคลึงกับสุรเดลังเฟลในหลายอย่างก็จะเว้นวรวคหน่อยก็ได้นะครับแล้วก็มาเีนรู้าดิษอืนบสืบเนื่องจากที่ได้อธิบายความหมายอกุรอานสุรเดลังเฟลไอยาฮุกซิบซีที่ลอสุบฮาราวัดอาลาเนนยัมเรื่องความสำคัญ จะให้ท่านนบีสุดละละอ่อนอเหรอซุลแลมได้เห็นคุณค่าของผู้ศรัทธาที่ได้ปฏิบัติตามท่านนบีสุดละละอ่อนยเหรอซุลแลมโดยให้ที่ท่านนบีสุดลละอ่อนอรซุลแลนั้นได้รู้สึกในความอเพียงที่ลอสหมาณาอุตลาเสนอสนับสนุนด้วยความช่วยเหลือของพระองค์ ด้วยการที่พระองค์นั้นให้มีโหนมจะมาเป็นผู้ศรัทธาที่ปฏิบัติตามคําสั่งของท่านเป็นผู้สนับสนุนและเป็นกําลังใจสําคัญสําหรับท่านนวีศลของอ๋อฮานิยูสท่านดวิศลของออฮานิยูสแล้วมันก็ได้ยินยันในคุณค่าของสาวกสาวกของท่านและสาวกของนบีทุกคน <التطور> لكول نبي ا قال لكل نبي لكل نبي حواري. نبي ت ك و ن ي ق و ل تاني قدمي ساوب كلاسيك. و ا حواري نكمل ذي مساوب كلاسيك. ا د ن ا ص ي ا م ك ل و ا س ا و ن في سارة وصحابي. ف ق د ن ي ا ب ك ن ا ل ذ ي ن َ ب ن ب ي ص ل ى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م َ ب ْ ن ن ب ي ص ل ى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م ل س ي ش ي ْ ي ت ح ب َ ن ب ي ن ي د ا ن ا و ز َ ا ن ي َ ل س ي ش ي ْ ي ت ن ي د ا ن ا و ز َ ا ن م ن د ي ك ن أ ن َ ح ا ب َ س ح ا م ه ب องคท่านนบีสลนละฮะอืัลัฮะัเพราะมีคนที่พบท่านนบีสลลฮอือัลลัอฮฺล้วก็ไม่ได้ไม่ไศรัทธาก็ไม่ได้กับ ص ح ا บาเป็นคนที่ปฏิเสธศรัทธาชาวกุรชทั้งหมดลเนี่ยคุท่านนบีพบเห็นท่านนบีมเห็นรียกว่าสาวกไม่ไมไม่ใช่ผู้ศรัทธามีบางคนน่ะน้อยเ่ยเยอะนะ ที่พบท่านนบีอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมในฐานะผู้สัทธาแต่ไม่ด้เสียชีวิตในฐานะเป็นผู้สัาก็คือเป็นมุตัดในเรื่องเป็นตกศาสนาม่เยอะในประวัติศาสตร์ทั้งหมดไม่เยอะมีคนหนึ่งที่เป็นสาวในบรมิสลามท่มักกะแล้วก็ไป ไปเหยียบยราบไปเผชิญหน้าแล้วก็ไปตกศาสนาออกจากศาสนาที่เผชิญแล้วก็เสียชีวิตท็ีถือว่าในพบได้เห็นท่านนบีสุลต์ละละออร๊ะยุสละในฐานะผู้ศรัทธาไม่ได้เสียชีวิตในฐานะู้ศรความศึกษาท่านนบีสุลต์ละละออร๊ะยุสละก็ย่อมมีข้อเทิว يقول ن ب ي حواري ن ت ل ن ي ا ص ل ح ا ب ي ا ت ن ا ل ي ص الله و ن ت ب ي ص ى ي س م ن ت ن ا ل ب ي ใา و س ا ت า و ا ل ت ا ا ل ت ا ا ل ت ا ر ا ل ي ل ت ا ر ي خ في ا ا ر ي خ في ا ل ت ا ا ل ت ا ا ل ت ا ي خ في ا ل เอ่อัจ حج ตัวเดียวไป حج อเมริกาก็ได้ทำภารกิจในไม่ต่ากว่าหนึ่งแสนคนแต่ไม่ใช่ทั้งหมดเนี่ยในจํานวนหนึ่งแสนเนี่ยที่มาคุกคีกับท่านนบีแล้วก็มาจะมีบทบาทในชีวิตของท่านนบีแม้ว่าถือว่าเป็นสหบาเพราะอยู่ในมิยาของสหบาวา อุปรืเห็นท่านนบีสุลต่นในฐานะผู้ัานะและเสียชีวิตในฐานะผู้ัทธาจบแล้วนสุภาพะแต่ถามว่าคนเหล่านี้เนี่ยเขามีบทบาทมากไหมในในการสนับสนุนท่านนบีสุลต่านไม่มากไม่มากคนที่มีบทบาทมากที่สุดนี่คือเธอสาวอุปที่ใกล้ชิดกับท่านนบีสุลต่าน ฉะนั้นอัลลอฮ์ سبحانه และเต็มกัดความคนที่จะเพียงพอสําหรับท่านบีฮัสบุกัลลอฮ์อัลลอฮ์นั้นเป็นที่พอเพียงแก่เจ้าและแก่ผู้ที่ปฏิบัติตามเจ้าด้วยอันได้กับผู้ศรัทธาทั้งหลายว่าไม่นิยธรรมะกำมิจรูมินีอัลลอฮ์เพียงพอสําหรับนบีและก็เพียงพอสําหรับผู้ศรัทธา อุลลามะบางท่นอธิบายบอกว่าอัลลอฮฺเพียงพอสําหรับท่านนบีและบรรดาผบุษถาที่ปฏิบัติตามท่านนบีก็เพียงพอสําหรับท่านนบีสุลต์ละอันละสันติไว้ว่าอุลลามะบังท่านอย่างอิบาุลขัยม์บอกว่าเป็นทัศนะหรือเป็นการอธิบายที่คาดเคลื่อนเพราะผู้เป็นที่พอเพียง อย่างเดียวนี่ก็ต้องเป็นอัลลอฮฺสุฮาบานานาละเท่านั้นทั้งสำหรับนบีแล้วก็สำหรับสหฮาบะแต่อุลามาบางท่านท่านอื่นนะครับก็บอกว่าหมายรวมตรงนี้เนี่ยในอายะนี้ไม่ใช่หมายรวมว่าจะเอาผู้ศรัทธาเนี่ยที่ปัติมาตามนบีนี้ มีความพอเพียงเหมือนอัลลอฮฺสุภานะอัลโมตานอะไรไม่ใช่แน่นอนอัลลอฮฺพอเพียงสําหรับนบีและสำหรับซาบะเท่านั้นแล้วก็ไม่มีความพอเพียงสําหรับนบีและซาบะเนี่ยจะดีไปกว่าความพอเพียงของอัลลอฮฺสุภานะอัลโมตานแต่อุลามาได้บอกว่าหมายรวมถึงความพอเพียงของ ผู้ศัาที่ปฏิบัติตามท่านนบีุลต่านละมุนี้หมายว่าท่านนบีสลละมุนไม่ต้องพึ่งพาใครอีกแล้วในบรรดามนุษย์ในบรรดามนุษย์พาท่านนบีจะสูรบท่านนบีจะมีภารกิจใดๆในการบริหารแผ่นดินเนี่ยอัลลอฮมก็บอกกับท่านนบีสุลต่านละมุนนี่แหละสาวของท่านคนที่ปฏิบัติตามท่าน ซึ่งเป็นความหมายที่ขยายได้ที่ขยายได้ถ้าเราได้ตีความในชีวิตของท่านนบีสุลล่าละานิสละคนที่สนับสนุนท่านนบีสุลต่าะรีมสู่รบกับท่านนบีนีสากนบีหลักๆนี่คือมูฮาจเรีและอัลลอนะ แล้ท่านนบีเสชีวิตละท่านนบีชีดนิชีวิตอยู่คนที่เพียงพอสาหรับนบีเนี่ยในบรรดามนุษย์นะคือผู้ศรัทธาที่ปฏิบัติตามท่านนาบีจําแนกออกไปมีผู้ศรัทธาที่ศรัทธาภายนอกแต่ไม่ได้ปฏิบัติตาม ท, ท่านนาบีหรือไม่ได้เชื่อฟังท่านนาบีเต็ม ท, ที่อย่างเช่นพวกที่เป็นมุนาฟิกที่มันีนะก็มีอันนี้ อันนี้ไม่เป็นประโยชน์เลยสําหรับท่านนบีแต่ถ้ท่า น, นบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิสสลามเสียชีวิตไปแล้วล่ะไม่มีท่านนบีก็มีสุนนะของท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิสสลามเราก็สามารถตีความได้คนที่เพียงพอสําหรับสุนนะของท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิสสลามเช่นเดียวกันก็คือคนที่ปฏิบัตบตามสุนนะของท่านนบีลุ ไอ้เร่อนี้ก็เป็นคุณสมบัติของคนที่สนับสนุนท่านนาบีทั้งตอนที่มีชีวิตแล้วก็หลังจากที่ท่านนาบีมีชีวิตคุณสมบัติสำคัญก็ต้องเป็นคนที่ปฏิบัติตามท่านนายบีสรงมอบมาเลยา น, นาั่นแหลที่จะมีความพอเพียง เป็นไปได้ว่าคนที่จะสนับสนุนศสนาหรือุนนะของท่านนบีสุลต่านคนที่ไม่ปฏิบัติตามท่านนบีสุลต่านก็เป็นไปได้มีมีมมีกมีตอนนี้ระชาชาติอิสลามก็กำลังพิสูจน ให้ประเทศฝรัง่งเศสได้เห็นว่าเขาก็ไม่ยอมในการลบหลู่ท่านนดวิดส์อัลลอฮ์มหาราฮึัสลัมในเดือนน่าจะเดือนเดือนที่ห้าแล้วนะที่ทางทวิตเตอร์เนี่ยมีในโลกมุสลิ ม, มนะทวิตตีมีอัตรา อุปสนับสูงมากที่สุนเนี่ยก็คือการบอยคอรตประเทศฝรั่งเศสคนที่บอยคอรตประเทศฝรั่งเศสด้วยอุดมการณ์ว่าต้องการต้องการแสดงความไม่พอใจกับคนที่ลบหลู่ท่านเดมิสโซลลอนเดวิสันหลังนั้นไม่ใช่ทั้งหมดเป็นคนที่เคร่งคัดเนกันปฏิบัติตามท่านเดมิสโซลโอลอนจะถือว่ามีมีประโยชน์ไหมในการ สนับสนุนท่านนบีถือว่ามีประโยชน์แต่มาพิจรารณาอีกทีหนึง่งเพียงพอไหมมันก็ยังไม่เพียงพอมันก็ยังไม่เพียงพอมีความเข้มข้นในการปฏิบัติตามท่าท น, ทนนบีสุลตัลลอฮอเลวซัลลัมแค่ไหนนั่นล่ะที่จะเป็นประโยชน์ที่จะเป็นประโยชน์มากสําหรับศา ส, สนาและก็สุนนะของท่านนบีสุลตัลลอฮ พูดถึงอาันนี้เนี่ยเพื่อไม่ให้อายันเนี่ยจากัดความเฉพาะคนที่อยู่ในชีวิตของท่านในมิสซาลละนาอิสลาล์เดิมเราแม้ว่าไม่ได้อยู่ในนิยามของาบ ا ب าเราไม่ได้เป็นสาวกของท่านนี่สัลลัลลอฮฺอาลัยฮุสสลัมแต่เรารู้ดีเราตรรกว่าแม้ว่านบีเสียชีวิตแต่สุนนะของท่านแลคือศาสนาของท่านเนี่ยก็ยังคงอยู่ แล้วเดี๋ยว Allah ไม่ได้พูดถึงท่านนบีซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวรสัลลัมในฐานะบทบาทของท่านนบีในการในการเผยแพร่และกระจายคําสั่งสอนของล l l a h เนี่ยก็ศาสนาของพระองค์ซึ่งคนนี้จะมาสืบทอดจากฐานะรวมของท่านนบีซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวรสัลลัมในการในการเผยแพร่ศาสนานั้นก็จะเป็นจําต้องเป็นคนที่ มีความเข่งคัดในการปฏิบัติตามท่านนบีสลอของอะไส่นทุกการที่ความที่ผมได้นาเสนอครั้งต้นนี้อันนี้สิบันทึกโดยบุคคนหละยมุสลิมที่ละสุขที่ท่านนบีซุลแล้วละอิซัลแลมเล็บว่าอนนั้นฟ้าุกุมกับเลขาจะนำหน้าพวกเจ้าในวันเกิดวันนั้นนำหน้าพวกเจ้าไระเยู بناه نؤمن به ف ر ط و ا معه الحوض ببناه ألا ليزادن أبناء أهل ح ا ن ه و ت ع ا ل ه อัลลอฮฺอาษฮับีสาวของฉันบรรยายะอุหมติีประชาชาติของฉันฟยุควาลุจึงมีคำตอบมาอย่างท่านนบีว่าอนนักงาตระหีม่าอัเหดสุบะดะจะมีรู้เรว่าพวกเขากลุ่นกิดกันปเน่ออกไปขอได้เปลี่ยนแปลงได้ดพิว ได้บิดเบือนหลังจากที่เจ้าได้เสียชีวิตไปแล้วอย่างไรว่ากูรุสุกันลิมบัตเดลเบอร์ดี وغير นัา้นนาบีก็จะบอกว่าข้อห้หนะักให้อยู่ห่างไกลเถิดผู้ที่ได้เปลี่ยนแปลงได้บิดเบือนศาสนาของฉันหลังจากที่ฉันได้ล่วงละไปแล้วนั่นหมายวึงว่า คนที่มีความสมควรที่จะเป็นผู้สนับสนุนท่านธรรมยสุรลมลองเสนออันเป็นเนื่องไขที่จะรับรางวัลในวันเกียร์มายังไม่ทันจะเข้าสวรรค์นนะแค่ในสระอะไรกันไะในลานวันเกียร์มาเนี่ยที่กำลังผ่านบททดสอบต่างๆเนี่ยบททดสอบหนึ่งคือบ่อน้ําเนี่ยพี่สุน คนที่สนับสนุนท่านและมซล่ก็คือคนที่ไม่เบืไม่เปลี่ยนแปลงศนสนุน่าสงทุกับอาจะร์เนี่ยว่ามันต่อกนมินั้นรคนที่ปฏิบัติตามท่านขอให้เป็นคาเตือนสติสำหรับทุกท่แลกัพี่น้งทุกท่านั ชีวิตของเราเนี่ยจะเรียนรู้ศสนาเยอะจากหลายแหล่งหลายแห่งหลายคนหลายที่หลายหลายช่องหลายหลายแหล่อยากให้คำว่าเช็คที่นำหน้า หรือด็อกเตอร์ที่นำหน้าหรืออาจารย์ที่นำหน้าหลอกลวงความแน่แท้ของศัตธรรมของอิสลามสิ่งที่เราจะต้องขนขวายตลอดชีวิตนี่คือสาสนาบริสุทธิ์ที่ถูกประทานลงมาสมัยท่านนาบีสุลโตัลละมานาะ เราที่ทําด้นี่เลยอิสลามมีอะไรอ่ะแบ่งงายนะครับเราจะได้ไม่ต้องสับสนไม่ต้องคิดไม่ต้องท่องจำอะไรเยอะหนัศาสนานี่ที่อัลลอฮฺจะสอบสวนเรานี่มีสองอย่างอิบาดาตแล้วก็มุอาบัลัอิบาดาตคือเรื่องประกอบศาสนากิ่ยวกมุอาบัลัดประกอบศาสนากินนี่คือเรื่องระหว่างเราก่อนหรือเราทําอะไรเลินหร คออวามศาสนาเกี่ยงงมว่าอะไรบุกมว่าเวลที่เราทํากับมนุษย์ความสัมพันธ์ที่เราทํากับมนุษย์ในสองอย่างนี้พ ย, ยายามอย่าประพฤติปฏิบัติอย่าเข้าใจยอย่าทําอย่าเลียนแบบอะไรที่เข้าใจเองที่ความเองหรือ บริโภคมาอันเป็นคำพูดเป็นคำชี้ขาดเป็นคำสอนจากคนอื่นถ้าเราสงสัยว่ามันไม่ใช่คำสั่งสอนที่แน่แท้ของท่านนบีสุลว่านละให้อามศึกษาให้ทีทุกศึกษาให้ดีและให้มีคำตอบว่าเราได้ศึกษาละเอียดมากที่สุดแล้วอันเนี้คือสิ่งที่ใกล้ชิดที่สุดจาก ส่นแรของท่านน บ, บีสโลซัลโดยไม่มีเจตนาวิดเปือนการันตีได้เลยนะครับเดินจกบ่อน้ำน บ, บีแน่ๆแต่หิธทีที่ว่ากำับจกเล่งต่างๆแห่งต่างๆช่องต่างๆช่องตรงนี้ไม่ใช่หมายถึงช่องทีวีช่องช่องช่องท นี่แหละศาสนานี่แหละนี่แหละคือสุนนะสุนนะต้องเป็นแบบนี้เพราะอะไรเพราะอาจารย์เขาบอกแบบนี้เอา้าแต่มันนบีไม่ได้พูดแบบนี้เอเอเอ็งจะรู้ดีกว่าอาจารย์นะคพูดแบบนี้เนี่ยผมผมมองว่ามันมันมนเ ม, มมากเลยคือข้อที่จริงเนี่ยมัน มันรู้คือทุกคนเนี่ยรู้แก่ใจว่าเราก็ไม่ได้ปฏิเราไม่ได้รับศาสนาจากอาจารย์อาจารย์ไม่ใช่เจ้าของศาสนาไม่ได้เป็นผู้บัญญตัติไม่ได้เป็นตัวสู้ลองหนะอยอาจารย์เป็นผู้สืบทอดกรออะดูกเจตนามิโซลลาอยากให้เป็นคำพูดแบบนี้เ<ม>ออจะรู้ดีกว่าอาจารย์หนึ่งไม่ใช่โอ อาจารย์อธิบายว่านี่คือเจตนาลมของท่านเดบีซอลล์ก็อะานไร้วเสน่ห์แล้วผมได้ศึกษาแล้วรู้สึกว่าอันเนี้ยใกล้ชิดที่สุดจากสุนทรของท่านเดบีอย่าให้ข้ออ้างอิงคือสิ่งที่อาจารย์พูดโดยที่เราไม่มีคําตอบว่าเราไม่ไดปฏิบัติตารมอาจารย์ไม้ปฏิบัติตามของ ความเข้าใจของอาจารย์ด้วยนะเราต้องปฏิบัติตามที่เราได้เข้าใจว่าความเข้าใจของอาจารย์น่ะใกล้ชิดที่สุดเพราะบทีนี่มันก็มีหลายความเข้าใจในสุนนทรของท่านในมีโซลลล์ว่าเรื่องอะไรอยู่เสมที่ต่างคนก็อ้างว่าเขาปฏิบัตบิตามท่านในมิโซลล์ว่าอะไรอยู่เสมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับในละหมาดเนี่ยเราจะกอดอกฮึ่มกอดอกหรือ ก, กอด พองกอดสะดือไม่มีหลักฐานรองรับมีทัศน์นารองรับเราก็ศึกษาไปแล้วก็ดูอ่าไหนที่ใกล้ชิดที่สุดแล้วว่าเนี่ยน่าจะเป็นน่าจะเป็นสิ่งที่ฉันเข้าใจว่าใกล้ชิดที่สุดจากที่ฉันได้ประเมินทั้งเรื่องความรู้ของครูบอาจารย์ที่ฉันได้เรียนรู้กับเขาอันนี้ตัวนี้นี่คือคําตอบของเราในวันนี้ แต่ทำไมละมานแบบนี้อ๋อหลักฐานก็คือผมเห็นอาจารย์ผมทำแบบนี้ไม่ใช่ว่าอาจารย์บอกผมว่านบีทำแบบนี้ต่างกันไหมต่างกันยิงสิ้นเชิงต่างกันมากเลย บางคนก็อาจจะรู้สึกว่ามันเพียงพอมันสร้างความสบายใจที่ที่ได้ตามที่ได้ตามอาจารย์เดือตามผู้นำของเขาแต่มันเป็นภาพลวงในในโลกนี้โลกหน้ามันคำพูดแบบนี้นเนแทบช่วยไม่ได้เลย เราก็จะตอบกับท่านนบีแล้วจะตอบกับอัลลอฮ์เด่นหน่อว่าสิ่งท <ended> ี่เราทําไปเนี่ยแล้วมันไม่มีในสุนนะของท่านนบีสุลตัลลอฮ์สัลลัมแต่เราดันทุนต่อหน้าอัลลอฮ์แล้วตอบต่อหน้าท่านนบีฉันนั้ปฏิบัติตามนบีนะทางเรียนที่เราปฏิบัติเนี่ยมันมีไม่มีอะไรของนบีเลยแล้วถ้าเราถามว่าอันนี้อันนี้เอามาจากไหนว่าเป็นของนบีเราอาจารย์อาจารย์ฉันเห็นอาจารย์ทํา แล้วก็สืบไม่ว่าที่ที่อาจารย์ทําเนี่ยอาจารย์เขาทําเหมือนแบบีหรือว่าตามอาจารย์อย่างเดียวอาจารย์ทุกคนถ้าเราจะตามอาจารย์นะความศักดิ์สิทธิ์ในคําพูดของอาจารย์เนี่ยขึ้นอยู่ที่ว่าโจบบรรทย์หลักฐานและคําสอนที่เขายึดปาติบัติบรรดาอิหมามทั้งหลายเจ้าของมัสยิดเนี่ยเขาสอนแบบนี้ لا تقلدني م ش ي ه ا تقلدني ولا تقلد مالك ولا سفيان ولا سفيان الثوري ولا الأوزاعي يبدي ب ت ا م شن يبدي باتام مالك يبدي باتام سفيان يبدي ب ت ا م أوزاعي و م ن د ن ا ك ش ه م ن د ا ء ع ل م ا ً ا ل ي ب ن د ر ا في ذلك ا ل ا ش ي و يبدي ب ت ا م ه ك อะไรกันคุณมิ่ให้สุขขันจงเอาจงปฏิบัติจากส่วนที่เขาได้ปฏิบัติตามโดยเฉาททัง้งหมดนี้กัปฏิบัติตามท่านนะวีทรงบอกว่าในสุราหฎร์แรงเฟล <c oughs> ก็ยังจะมีบรรยากาศของคำสั่งสอนที่เกี่ยวกับเรื่องสงคราม สงครมบัดด์ใอัลเลฮูมสลงครามบดัมขขมบดนี่เป็นสงครามแรกซึ่งท่า น, นาบีสุลต่านหัวเรือสันหลังและสหายเนี่ยไม่เคยผ่านประสบการณ์ในการทขขําสงครามแบบนี้เลยเราอยู่ที่มัดีนาะท่านนาบีมาตั้งรับตั้งเมืองอิสลามแรกแห่งแรก ยังไม่ทันจะ ร, ร, รวบรวมกองทัพที่จะไปสู้รบอย่างเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนเลยมันก็จะมีจะต้องมีความลังเลความไม่พร้อมใจความไม่เชื่อฟังความขี้ขาดธรรมด า, าเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องธรรมชาติเลยความขี้ขาด คนกลัวกลัวการปาะทักไม่กล้าไม่กล้าเห็นเลือดทำไมบางค น, นมาเห็นใครทะเลาะ ก, กันมีเลือดหนีเลยหนีเข้าบ้านเลยไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอ บ, ชอบเห็นเลยเอ่ะเลือดอะไรกลัว กัวแม้กระทั่งที่จะมีส่วนร่วมในการที่จะแยกระหว่างสองคนที่กำลังทะเลาะ ก, กันเพื่อลดความเสียหายให้น้อยที่สุดที่สองคนนี่ทะเลาะ ก, กันแล้วนะเอชักดาากันแล้วถ้าเราเข้าไปแยกกันนะเออมันอาจจะไม่นองเลือดแต่พอเรากลัวกลัวดาบกลัวกลัวโดนอ่ากลวเาบากลัวกลัวลุกลุ่ม อวลุกหลงขนของคนที่อัวลุกหลงแล้วก็ไม่อยากมีส่วนเกี่ยวข้องเพราะความขี้ขลาดนี่แหละทำให้สองคนนี้แทนที่จะลดความเสียหายนีแนะ่หส่วนมากที่มีสงครามเยฮะระหว่างสถาบัานต่างๆเนี่ยที่เห็นเนี่น mm hmm. ยเยฮะเทคโน่เพราะอะไรเพราะชาวบ้านขี้ขาด พอยกอาวุธกันแล้วพอชักดาบกันแล้วอะนะโอ้ว่าในนี้ไม่มีใครยุ่งเลยทั้งนั้นนี่ที่ที่เดินไปสัญจรไปมานี่ก็ไม่ใช่ไม่ีไม่ใช่เด็กนะเป็นคนมีอายุเป็นคนโตเป็นปัญญาชนเป็นคนแข็งแรงมีเยอะเน่ไม่น้อยแต่ไม่อยากยุ่งลองคิดดูดิ แต่ว่าความอมอาจมีกับส่วนมากหรือส่วนหนึ่งสักส่วนหนึ่งของสังคมที่เห็นเรื่องเนี้ยแลก็พเห็นนะพอเห็นเรื่องนี้แล้ว่นะเออชาวบ้านอีกไม่ต้องทำอะไรเจออะไรนี่ก็คว้างคว้างทั้งสองฝ่ายเลยแยกให้มันแยกแยกทางกันจบเลยถ้าชาวบ้านที่อยู่อยู่ตามบ้านตามช่องอะไรเห็น เห็นสองกองทัพนี่มาม า, มาประทะกันแล้วหรือในรถแม่ฮะมีอะไรใครมีกระเป๋ามีอะไรเนี่ก็ตีหน้าตีท้องตีอะไรเนี่ยไอพวกเด็กนี่มันมันยุติยุติความว่าบ้าบของเขานี่โอ้เราจะเซฟเซฟทั้งชีวิตและความเสียหายขนาดไหนมันเป็นปัญหา ประชาชนตัวใครตัวมันนะบเห็นเห็นอะไรแบบนี้เนี่ยก็องคนโอ้กลัวโง่ลูกหองกลัวหนูโดนโนโดนนี่มันก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงเรื่องไม่ดีที่มันเกิดขึ้นในสังคมขายยากันต่อหน้าตตาชาวบ้าน ในชุมชนแจ้งความยังไม่กล้าแจ้งความทำไมเนี่ยก็มีคนเนี่ยหย่อดข้อ ม, มูลบอว่าเฮ้ยไปแจ้งความทําไมไปแจ้งความกับตำรวจนี่แหละพวกเดียวกันนะ่ะดูมันรู้แล้วก็มันไปส่งขาวให้พวกให้พวกขายานี่ดูเองอะ่ะเองอะ่ะโดนลูกหลงเ็แจ้งความเห็นเห็นกันเนี่ยเห็นเห็นกันนะ่ะ ขายยากันอยู่ยิยังไม่ยิงยังไม่ยิประสบการณ์เนี่ยมันมันมีให้เห็นนะครับว่าออกมาทุกหม้อนี่นะมันยังมีผลเลยทีทีกระทะทีฝ่าหม้อมันมันมันยังมีเสียงเลยยังมีผล แต่ประชาชนตัวใครตัวมันนักอยู่น่ระวังลูกหลงมันนู้นนู้นกูหนีห น, น, น, น, นีหนีหนีเขาบ้านเขาบ้านเขาบ้านแบบนี้แหละสังคมเสียไปที่จริงนิสัยของวุฒิธรรมทุกคนนี่ต้องเป็นคนกลา้กาลต้องเป็นคนกลา้าไม่ใช่กล้าร้าวนะจะเป็นคนกล้า อย่าปล่อยให้พวกอันตพานเนี่ยสแสดงความอันตพานของเขาโดยที่คนอื่นเนี่ยไม่ไม่มีบทบาทในการปราบความเป็นอันตพานให้รู้ได้เลยเนี่ยมีอันตพานในสังคมเนี่ยไม่ใช่เพราะอันตพานนั้นะมันแข็งแรงเพราะสังคมเนี่ยขี้ขาดส่วนมากในสังคมเนี่ยขี้ขาไม่ใช่เพราะอันตพานเนี่มันแข็งแรง ฉะนั้นอัลลอฮ์ سبحانه และ ت อา ل ى ได้สั่งสอนท่านนบีให้มีบทบาทไม่ใช่บทบาทในการที่จะสู้รบอย่างเดียวในการขัดเกล้าจิตใจของนักรบนักสู้ที่จะมีจิตใจที่องอาจกล้าหาญอย่าให้ยุหันนบียหันนิ้ยนู้มินีนั่นแหละ อ้นบีจงปลุกใจผู้ศรัทธาทั้งหลายในการสู้รบเถิดอย่าให้สหานเนี่ยได้มีความปรารถนาอย่างเดียวจะให้ให้มีให้มีความกล้าถ้าถึงวันที่จะต้องสู้รบเนี่ยก็มีความกล้ามีความพร้อม ที่จะสู้รบจริงๆปลุกใจปลุกแร้ให้สหายวะเนี่ยเต็ม อ, อกเต็มใจในการที่จะเสียสละเพื่อสู่รบกับท่านในมิโซลมาเลยไม่กลัวความตายไม่กลัว บ, บาดเจ็บไม่กลัวเสียหายไม่กลัวลุกหลง ในการปราบปรามความชั่วปราบปรามอันตรธานในโลกดุนยานี้แม้ว่าในสภาพสงครามที่เกิดขึ้นแล้วก็จะมีฝ่ายี่ดมันในศัตรูแล้วก็ต้องไปปราบศัตรูที่ที่ยึดในความทิศเนี่ยหรือในสภาพปกติในสังคมที่เราเห็นอันตรธานมาแสดงความเป็นโจรความเป็นความเป็นคนเลว มันไม่ควรมันไม่ควรที่จะใช้คำว่าะระวังลุกหลงไม่มีความเสียหายทุกอย่างที่เราได้ประสบเนี่ยมันไม่ใช่ลูกหลงมันคืออะไรอะ่ะมันคือของขวัญที่เราให้มาเราตายหรือบาดเจ็บหรือเสียหายใดๆในเชิงลูกประธรรมน้ำประธรรมนี่ก็เช่นเสียชื่อเสียง เราไปแยกคนทะเลาะกันหรือไปปราบคนคนเลวในสังคมเนี่ยไอ้คนขี้ขาดเนี่ยเนื่องจากว่าเขาขี้ขาดแล้วรู้ว่าตัวเองเนี่ยสิ้นดีในบทบาทในการปราบคนคนเลวในสังคมมานะเขาก็จะมาพรนามมากระด้ากระแหนคนที่ออกมา ปราบคนเลวในสังคมพอปราบพวกอันธพาลเนี่ยแล้วก็บาดเจ็บเห็นไหมอยากนัสมน้ำหน้าบรรทอนกำลังใจลดความความคือความอะไรความ ความรู Workers, ้ส in ึกของคนที say, sí, ่เขาอยากจะมีมีส่วนร่วมในการช่วยสังคมก็คมพูดแบบนี้แหละที่แต่ให้คนที่อยากจะช่วยในสังคมกไม่ช่วยแล้วช่วยทุกทีเนี่ยก็จะมีคนที่ออกมาตําหนิแบบนี้ฮินีเรา เราอยู่ในสังคมสังคมบ้าเรานะสังคมใ น, ในเมืองไทยในประเทศไทยสังคมเอเชียนะคนที่คนที่ถืออาวุธคนที่ใช้เสียงดังคนที่โวยวายเนี่ยมักจะถูกมองว่าเป็นคนไม่เรียบร้อย เพราะฉะนั้นใครเป็นโต๊ะครูใครเป็นใครเป็นนักศาสนาเป็นนักบวชเนี่นยต้องต้องพูดอย่าเสียสงดังอย่าอย่าอย่าด่าทออย่าต่อวา่าอย่าไปทะเลาะกับใครแล้วถ้าก็ดทำอะไรอย่าอดทน มันเป็นคำสอนที่ดีแต่มั น, ม น, มนไม่มันไม่ถูกเสมอไงหรือถ้าท่านนาบีทําแบบเนี้อดทนนี่หมายถึงว่าท่านนาบีอดทนไปแล้วหนี่งสิบสามปีอยู่มาเก้าเนี่ยทำอะไรไม่ได้ไแล้วหนไปมณีนั่นละนี่ตามมาถึงมดีนะ่งอา้าวเป็ไงอดทนนบีก็หนีไปอีกอดทนไม่สู้ไม่รบหนีไปอีกไหมอแล้วมันจะจบไหมล่ะความอดทนนี่มันก็มีขอบเขต ทำสังสอนก็ดีนะเออจะจะใครม า, มาอะไรเราอดทนอดทนได้แต่แต่มันก็มี ข, อข้อผิดคนอันธพาลในสังคมเนี่ยที่จะล่วงเกินหรือละเมิดคนอื่นที่จะมามาสร้างระบบแห่งความเป็นอันธพาลในสังคมสังคมเล็กหรือสังคมใหญ่สังคมโลกเนี่ยจะต้องมีคนออกมาปราบความเป็นอันธพาล จะใชศิลธรรมจะใช้ความเรียบร้อยความสุขุมความอดทนกับคนเหล่านี้ไปได้แต่ดูดูความอดทนในการต่อสู้ต่างหากที่อัลลอฮฺได้สงฮัริดุลมุมินีนะอัลกุตลจงปลุกใจผู้ศรัทธาทั้งหลายในการสู้รบเถินอียากุมวิงกุมอัชูนซาบิรูในอัลลิมูมินอัตเป็นช่วงแรกที่ صحاب าคุณท่านนบีเนี่ย ช่วยเหลือท่านบนี่แล้วก็มีจํานวนน้อยแล้วจะต้องออกไปสู้รบกับชนจํานวนมากเอาล็อบังคับใช่กับสหภาพเนี่ยถ้ามีอยู่คนหนึ่งถ้ามีอยู่คนหนึ่งต้องอดทนในการสู้รบกับสิบเท่าจํานวนสิบเท่าหนึ่งคนสู้กับสิบคนนี่นะต้องยืนเนี่ห้ามมีสําหรับสหภาบนะดูเสียละอก อัลลอฮ์กำชับกับสหาบะซะหมัยท่านนบีเพระาะไม่มีไม่มีทางเลือกล้วคนดีอัลลอฮ์เลือกให้เป็นสาวกนบีเนี่ยก็ต้องสมเกียรติเป็นสาวกของนบีจริงเกิดมาทั้งทีเนี่ยนะเกิดมาทั้งทีเนี่ยเป็นสาวกนบีแล้วก็มาเจออะไรเอะเอะนิดหน่อยนี้นักหนีเลยนะเไม่สมควรนี่อย่ามาสา ค้างสังสังเระเลยไอ้คุณมีกคุณเฉลินะสบารู้ฮาปรากฏว่าในหมู่พวกเจ้ามี20สิบคนที่อดทนเห็นไหมไม่ใช่อดทนในการนีนะในการนี้ปัญหานะเ้าอดทนอย่าไปยุ่งอย่าไปอดทนในการสู้ไอ้คุณมิงคุณเมนะสบายรูนะถ้ามีคนนในการสู้รบเนีที่อดทนในการสู้รบนีอดทนนะ จะชนะสองร้อยคนให้อดทนยี่สิบคนก็คูณสิบน่เป็นสองร้อยใช่ปะแสงดงว่าหนึ่งคนเนี่ยถ้าสู้กับสิบคนนี่นะสิบเท่าสิบเท่านีาา่ต้องอดทนห้ามมนีเำรวจบอกว่าไอ้พวกเนี้ยเกี่ยวกับเราในือเกี่ยวกับสวอ่าะอันนี้ช่วงแรกช่วงแรกก่อนไม่มีทางเลือก มีอาสาบงทางเลือกมุสลิมมีแค่น mm hmm ี้แล้วก็ศัตรูของมุสลิมเพื่อนต้ออดทนอดนขนาดไหนถึงเจ็สคนมาสู้กันหนึ่งคนนะมุสลิมหนึ่งคนน่ะต้องยืนอย่างข้ามหนีว่าอคุมิ่คุณมิยวลอฟมนตกรัฟูนากูฮะกบ้นมูามีร้อยคนก็าวที่อดทนนันก็จะชนะ พันคนในหมู่ผู้ที่ปฏิเสธสัญญาร้อยชน 1, ะหนึ่งพันสิบเท่าตัวสิบเท่าต้องยินอย่างห้ามนี้ทําไมอ่ะหนึ่งคนนี่จะมีค่าขนาดไหนนี่จสู้กับสิบคนยี่สิบคนใะมีค่าขนาดไหนสู้กับสองร้อยคนห น, นึ่งร้อยคนในมีค่าขนาดไหนสู้กับหนึ่งพันคน ที่ Allah กบชับไว้เราบอกว่าคนศัตรูเนี่ยอะไรเขาพวกเขานี่เป็นคนที่ไม่เข้าใจไม่เข้าใจไม่เข้าใจหลักการไม่มีอุดมไม่มีอุดมการ์ไอนี่เกี่ยวกับเรื่องการทำสงคราม แกก็ที่เส <c oughs> ษไม่ได้ว่าท้ายของอายาเนี่ยว่าการทำสงครามเนี่ยเอาชนะได้ด้วยความแข็งแกรง่งแก่งเดียวไม่เพียงพอเพราะเราะลังบอกว่า ห น, นึ่งร้อยคนเนี่ยจะชนะห น, นึ่งพันคนเนี่ยหรือถ้าอดทนนะและพวกพวกพวกเขานี่ไม่เข้าใจแสดงว่าพอผู้ศรัทธานี่เข้าใจก็ะท่ากับคุณสมบัติของคนที่จะยืนหยัดได้กับศัตรูเนี่ยต้องมีสองอย่างหนึ่งอดทนสองเข้าใจเข้าใจความรู้ต้องมีความรู้ เราสมบัติของความรู้นี่ส่องเราจะสู้ด้วยกำลตงเดียวสู้ด้วยอาวุธเดียวไม่พอมาเลเซียนี้เป็นประเทศที่มีศักดิ์สิทซัื้ออาวุธเยอะเลยเยอะลงไทยมหาเดเนี่ยให้ให้สัมภาษณ์ ให้สัมภาษณ์วิธีกรของของช่วงจีโรครั้งหนึ่งเกี่ยวกับช่วงที่แกบริหารประเทศช่วงที่แกเป็นนายกนะเขาบอกว่าสั่งซื้อเครื่องบินรบเอฟสิบหกจากอเมริกาประมาณนี้สิบปีอีสิบปีที่ผานมาแล้วนี่อฟสิบหกนี่คือสุดยอดของม เป็ืเนรบออโอไข่ F16 เนี่กำรังการยิงโมเดลด น, นำบาาเดบอกว่าเราสั่งซื้อใน F16 มมีลูกี่สิบลำนะแต่พอเอามาใช้จริงนะปรากว่าเงื่อนไขในการใช้เนี่ยในการใช้ เครื่องบินเนี่ยเงื่อนไขเยอะมากเลยผลสรุปได้สรุปจากการที่ได้ซื้อเครื่องบินรบ f อฟสิบกเนี่ยเครื่องบินนี้มาาเดนี่นายกรัมนิก็คือผู้บริหารสูงสุดของมาเลนะ่ะเขาบอกว่าเครื่องบินรบลำเนี่ยจะใช้ในวันชาติแสดง แสดงอาวุธขอมกองทัพอย่างเดียวแต่ในสงครามจริงเนี่ยใช้ไม่ได้เทคโนโลยีของของมันเนี่ยอเมริกาให้ไม่หมดเขาบอกว่าเกิดเกิดเรื่องกับประเทศอะไรสักอย่างห น, นึ่ง น, นะนะผว่าก็เลยนึกเออเตรียมจะเตรียมใช้ f 1 6นี่แค่เตรียมใช้นะเผื่อจะมั้ก็ปรกว่าเออไม่ได้ใช้ไม่ได้ ไม่มีไม่มีสักญาภาพบทเรียนก็คือมีอาวุธมีตังอะไม่เลยมีตังอะเราก็มีตังอะเสื้ออาวุธอะไรก็บริมีตังมีอาวุธแต่ไม่เข้าใจตุรกีนี่ยได้บทเรียนอย่างเนี้ยนด้บทเรียนจา่องเนี้นยออกในบ่ายเมื่อยี่สิปีอันดรล นโยบายว่าซื้ออาวุธเนี่ยเพื่อเอามาศึกษาและผลิตเองเราต้องเข้าใจไม่ใช่ต้องมีอย่างเดียวนะต้องมีแล้วก็ต้องเข้าใจใช้อาวุธยังไงผลิตอาวุธยังไงการศึกษาสำหรับมนุษย์เนี่ย ا ل ل ه س ب ح ا ن ه و ت ع ا ل ى ي ة و ن ه ل ه د ْ ح ي ِ ا ل ل ِ ي ِّ ا ن ْ ع َ ل ي ِّ ا ل ْ ع ا ل ْ ع ل ي ا ل ع َ ل ِ ي ِّ ا ل ْ ع َ ي ِّ الْعَلِيِّ ا ل ْ ع َ ل า ي ِ ي ا ل ي ِّ ل ْ ا ل ْ ع َ ا ل ل ِ ل ْ ي ا ل ل ي ع ي ِّ ا ل ل ِ ي ِّ ل ْ ا ل ْ ع َ ا ل ل ِ ا ل ْ ع ا เอ่อมนุษย์เนี่ยหรือนาะวีอาดัมเนี่ยเหมือนชีวิตตื่นอื่นที่ไร้ปัญญาอาจจะสู้รบอาจจะฆ่ากันตายแล้วก็ม่สันนิษฐานนะว่าเอออย่างที่เขาว่ากันนะว่าโลกนี้เนี่ยก่อนนี้จะมีมนุษย์มีพวกไดโนเสาร์ก็เป็นไปได้นี่ว่ามาเลย์กาเนี่ยก่อนนี้จะมีมนุษย์ลงมานะจะมีพวกไดโนเสาร์แล้วก็มาเลย์กาเข้าใจว่าชีวิต อย่างอย่างอาดัมเนี่ยจะลงมานี่ยโอจะทะเลาะกันเหมือนพวกเดียเป็นไปได้นะอาจัดนะอาจัดนะอัตจัลูุฟีฮะไมยิสฟิกอุดมะ ونحن نسبيح بحقك ونقدس لك พวะองค์ท่านเลยกรทูลบอกว่าจะให้มีคนปรากฏในโลกดวงญนี้ชีวิตปรากฏในโลกดวงวิญญาณนี้ทำให้หลังหลซึ่งเลือดหลังหลซึ่งเลือด การนัที่ราาเกเนี่ยก็คือสุดยอดของชีวิตที่มีภารกิจในการสเสือรือลัทธอัลลุฮาอาะยังดีที่สุดถ้าลัทธิอัลลอฮฺสุฮาโนอฺเหตุผลน่ะเราสร้างอบดัซึ่งมีคุณสมบัติเหนือกว่ามา์กอัลลอฮฺประทอาม أ س م ثم ر ض ه م على ا ل م ل ا ك وقال ي و ن ب س م ل ا ق د م ص د ق قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أمهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال لم ا ق و ل لكم إني ع ل م ما لا تعلم سان آدم الله ما سان تعب لا تعب عليك هل نحن بنينعى؟ เรืนี้เป็นยังเราไม่รู้ถามาอาดามาอาดา ม, าอดามาตอบั ล, ล้วสุภาโวานะบอกมาเลยอะไรบอกเลยอินมีอา่านแล้วผมฉันรู้ฉันรู้ในเหตุผลในสิ่งที่พระเจ้าไม่รู้เหตุผลน่ะเหตุผลที่สร้างนาบีอาระมนุษย์เนี่ยมีขึ้นมานี่เพื่อจะได้เรียนรู้นี่คือนี่คือเหตุ เพราะส่วนสำคัญที่สุดของมนุษย์นี่ก็คือสมองและดูจากโครงสร้างของสมองเนี่ยถูกสร้างมาเพื่อเรียนรู้เข้าใจช่วงแรกเนี่ยอเลกก็ บ, บังคับนะครับว่าคนหนึ่งจะต้องอดทนห้ามหมีถ้าต่อสู้กับสิบคนยี่สิบคนก็ต้องต่อสู้กับสองร้อคน หนึ่งร้อยคนก็ต้องต่อสู้ความยึงมั่งก็คือสิบเท่าตัวสิบเท่าแต่หลังจากนั้นอันนี้ในสงครามบัหลังจากนั้นซึ่งอุลมาเนีด้บอกว่าอ้อันี้ยังไม่ทันปฏิบัติ ซอฟะได้มาประรุบกับท่านนบีสุลต์ละซุลลัมบอกวาถ้าเกิดสงครามแบบนี้เราคงจะไม่ไหวอัลลอฮ์ได้ประทานเงมาอัลเละนัขฟฟัลลัมุฮัมมุมและอัลเลาะนฟฟัุมมัแอัลลา์น้ขัฟฟลลัมัมมัมและอัลเน้ขัลลัุและพวกเจ้าแล้วมและอังรูานั้ขลลมุฮัมมัมแอานั้นมีคัามอฮัแอั Um a l l a คงจะรู้และก่อนเดือนี้ไปรู้แล้ว a l l a รู้เสมอเละ a l l a รู้เสมอแต่ถ้า a l l บัญญัตั้งแต่แรกเลยเป็นอย่างนี้เราก็จะไม่รู้สึกถึงบุญคุณของเราสู่ a l แล้วจะไม่รู้สึกถึงความดิ้นรนที่เราจะต้องมี เหนี่ล้อจ้าล้อพันมาแล้วนะลดลดภาระมาแล้วนะจากการสู้ห่คนต่อสิบคนเนี่ยให้น้อยกว่านี้นะเราก็จะรู้ว่าเออเลาอยากจะให้เราเนี่เข้มแข็งมากกว่านี้ดังนั้นหากในหมู่พวกเจ้ามีร้อยคนที่อดทนก็จะชนะ2สองร้อคนจะสิบเท่านะ ถึงสองเท่าหนึ่งหนึ่งที่ต้องสู้กับสิบนะลดมาว่าหนึ่งต้องสู้กับสองภาษานี่เขาก็บอกว่าสองเท่าตัวนะก็หมายถึงว่าถ้าหนึ่งร้อยคนจะต้องสู้กับสองร้อยคนยากรณ์นานี้เนี่ยที่ถูกยกเลิกไปแล้วถ้าหนึ่งถ้าหนึ่งร้อยคนต้องสู้กับหนึ่งพันคน เราลดมาภาระในการที่จะต้องอดทนในสงครามเนี่ยที่ที่จะต้องมีความอดทนกับคนที่มาสู้กับเราเนี่ยอัลลอฮ์สุภาโนะดาลดลดลงมาและหารในหมู่พวกเจ้ามีพันคนก็จะชนะสองพันคนด้วยอนุมัิของอัลลอ์บีอิสนิละ أيكم منكم القلب يغلب العين بإذن الله ا ل ل ه م الصابرين لا هلا ن ض ع ي ر ่วมกับผู้อทนต่งหลายบทเรียนที่สำคัญนี้ก็คือเรื่องอดทนเรื่องจำนวนเรื่องจำนวนเนี่ยแค่แค่เป็นเป็นตัวอย่างไออันนี้เนี่ย صحاب บอกว่า เกวเราก็หมายถึงว่าไม่เกี่ยวกับคนอื่นไม่เกี่ยวกับคนอื่นโดยเฉพาะคนอื่นที่ไม่มีคุณสมบัติเหมือนซาบอะโดยเฉพาะหลังจากที่อิสลามได้ขยายตัวมากมากแลวไม่มีความจำเป็นที่จะต้องอต้องอดทนกันขนาดนี้ Allah سبحانه แะก็ให้เรื่องนี้สาหรับสาหรับ صحاب าอย่างเดียวแต่มันก็เป็นบทเรียนสาหรับคนรุ่นหลังนะเขาจะได้เห็นว่าคนรุ่นุ่นก่อนเนี่ยที่เขาสู้รบที่เขาดิ้นนกับท่านนบีสลตุอเลมเขาจะต้องอดทนกันขนาดนสมควรแล้วนที่จะเป็น صحاب าของท่านนบี สมคนรแล้วอะนะที่เขาจะมีคำสั่งที่เข้มงวดเข้มงวดกว่าเราแล้วเราจะนิฐานว่าเราได้รับคำสั่งแบบนี้เราทนไม่ได้หรอกรับไม่ไหวจริงๆด้วยความเมตตาจากอัลลอฮ์สุบฮานาอฺเลยให้คนรุ่นรุ่นหลังนี่ก็ต้องรู้บุญรูกคุณรู้คุณคณ่าของคนรุ่นก่อนเนี่ยเขา คนต่อสู้คนยิ่งดนกันขนาดไหนซาฮาบะก็ได้ทำให้เห็นเป็นอุทาหรณ์ในสงครามต่างๆที่ก็ได้พิชิตเมืองต่างๆสู่รบกันแบบนี้แหละคาลินวลีบยกทัพสามหมืนไปสู่รบของทัพของเบอร์เซียของโรมันแสนสงแสนหนึ่งใช่เลย ให้นเห็นในประวัติศาส์นี่นับไม่ท้วนสถาบันแล้วกับรรดาตาบีอีนที่เขาสู้รบกันกับกองทัพศัตรูที่ที่มีหลายเทหลายเท่าตัวแล้วก็ชนะสงครามในสงครามบัตรท่านนบีและสถาบานเนี่ยได้เห็นว่า ฝ่ายของกูร์เชเนี่ยล้วนเป็นยาติพี่น้องแท้เลยญยาติพี่น้องแท้ๆก็เลยเหมือนมีความไม่คือไม่อยากจะคือไม่อยากจะฆ่าใครหนิลูกหลานเราญาติพี่น้องเราตั้งนั้นน่ะอบสลิมด้วยศีลธารมของเขาเนี่ยเขาไม่อยากจะ เขาไม่อยากจะข่าอยากพี่น้องด้ว ย, วยตัวเองจึงมีเหมือนพฤติไนของของกองทัพอะนะฆ่าไม่ได้ก็จริงแต่ความอ่อนแอของฝ่ายศัตรูเนี่ยที่เขาเห็นมุสลิมเนี่ย บุกกแล้วก็มีมีมาเลยกลามาเลยนะโอ้ยยอมแพ้กันเลยเขาก็เลยในช่วงสงครามเนี่ยเขาก็เอองั้นนะเราไม่เราไม่ค่าจับใครได้จับเป็นเฉลยดีกว่าจับเป็นเฉลยซึ่งจะมีซับเฉลยเนี่ยไม่มีปัญหาแต่จะไม่เต็มที่ ตอนที่นำสงครามไม่เต็มที player, ่ในการสู้รบเนี่ยเพื่อจะได้มีซับเฉลมีซับเฉลยเปล่ามีเฉลยศึกแล้วก็เอาเฉลยศึนี่มาแลกกับผลประโยชน์เนี่ยอันเนี้ยดูเหมือนว่าไม่เต็มที่ในการที่จะสู้รบแค่นี้แหละแค่นี้ใช่ไหมลูกสุภาราหัวดาร์ทรงประธานอาญานี้มาติเตียนตีนี้อาญะณีหกสิบเจ็ لِلَبِيِّنْ لَهُ والله แลึการะแประหารอย่างมายเหคืออสระ ภาวะสงครามนี่คือต้องเด็ดขาดม่าเย้คือแต่นักรบเนี่ยแสงใจไว้ว่าเฮ้ยมีทรัพย์มีมเชลออะไรนี่เก็บไว้แต่เก็บไว้ก่อนนั่นก็จะได้มีผลประโยชน์คือแต่นักรบนี่ยมีอะไรจะจบเลยเสร็จสิส้นเลยแต่ในยามสงครามนี่ ในพวก่อศัตรูเนี่ยเขาบุ่น ม, มั่นที่จะเห็นข่าเรานี่นนะเราอยากให้มีส่วนอื่นแฝงว่าออเยเถ้าอุ้นมันเป็นเฉลยนี่นึนถ้าไปถ่ายตัวนี่โอ้โหนี่ได้เป็นล้านนะนั้นก็จะไม่มีไม่มีอารมณ์ในการที่จะสู้เต็มที่ไงใช่ไหมอัลลก็เลยบอกว่าไม่ไม่บังควร ที่จะให้มีเจตนาแฝงเมื่อนบีและสาวกของนบีสู้รบแล้วเนี่ยอที่จะมีเจตนาแฝงว่าเอออยากจะมีเฉลยอยากจะมีเก็บอะไรสักสับย์สมบัติอะไรสักอย่างหนึ่งเก็บไว้ไม่ควรที่จะมีอะไรแบบนี้จนกว่าจะใใ น, า ย, นายามสงครามเนี่ยเขาต้องประหันประหันพวกเขานี่มุ่งที่จะประหันปรหาหันเหมือนกันพวกเจ้าต้องการสิ่งเล็กน้อยตุรีดูนาอัลลอฮฺตุนทูม ทำสงครามเนี่ยอ ย, า, อยาได้อยาได้มุ่งที่จะได้รับได้ค่าทายของของของฉเฉลยต้องการสิ่งเล็กน้อยแห่งโลกนี้แต่อัลลอฮ์สมงต้องการปารลกอัลลอฮ์ผูยรีดุลอลฮิรัอัลลอฮ์ต้องการให้พวกเจ้าเนี่ยมีปารลือมีอาฮิรัต ในการทำ jihad เนี่ยอย่าได้มีอะไรแฝงเกี่ยวกับเรื่องโลกตรงนี้นี่ก็เป็นการทดสอบเจตนารมณ์เหมือนกันว่าเราทําสงครามหรืไม่ทำสงครามเพื่อจะได้มีบประโยชน์ทำสงครามเราจะได้มีทรัพย์มีเยเลยมีใช่ไสงครามจะได้ปราบอันดาพันธ์ปราบคนชั่วป ร, ร ป, รรปราบคนท้องที่ปราบคนนี่ คนที่บังอาจกับอัลลอฮสุบฮานาอาและกับความจริงต่อต้านศัจธรรมความเด็ดขาดตรงนี้เนี่ยถ้ามีลำเอียงลำเอียงไปทางโลกดุนยาไปทางทรัพย์ของโลกดุญญนยานี่ยุบเลยความชอบของการทำสุขหมดเลยหมผมฟังอดีต อปตอรอผู้บังคับบัญชาสูงสุดของตำรวจนะมันก็นี่ที่จับกันไในแก้งจับแต่จับจริงเนี่ยให้สิ้นซากนะทำได้ไม่ตรงอะไระเราเนี่ยเดินไปที่ไหนนี่นะเจอมสัสยิดแล้วก็มีรถจอดยึกแล้วก็เปิดไฟเราก็รู้เลยว่า ทีนี้นี่มีคนกำลังละห ม, มาดถึงจะตีห้าน่ะเราก็มันมั น, ม น, มนไม่ไม่ต้องฉลาดมากตีหอาสดงบอกละห ม, มาดสุบู์ูกต้องปะมัสยิดน่ะแต่ใครสัญจรไปไหนเนี่ยตีสามเนี่ยที่หนึ่งโอโ้รถจอดสองแถวสองสาแถวเลยอ่ะฮะแล้วก็มีไฟือก็มีเสียงดือดเดืบอ ก็ทำอะไรเอาข้าวซีเครกันก็ได้กันนะมัไม่ยากเจ้าหน้าที่เนี่ยอยากจะรู้บ่อแสอย่างนี้ทําได้บางที่ที่เป็นกฎหมายเนี่ยผขบอกว่าเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเราก็ไม่ได้ปรับตามใครอย่านะ้น หน้าที่นเดินจบับเขาแล้วแต่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยมีมีผลประโยชน์แฝงจะไม่ทําหน้าที่เราก็เลยบอกทําสงครามทำดีฮัทนะอย่าให้มีเป้าหมายว่าเออเก็บไว้เป็นให้อย่าทำลายเดี๋ยวจะได้เป็นทรัพย์เฉลยไ อ, อ, อ้คนนี้นะอย่าอยบาเพิ่งฆ่ามันจะได้เป็นเฉลย จะเลยเอามาเป็นธาตุอย่างน้อยนี่ทำามาเป็นธาตุทำไม่เป็นธาตุนี่ก็เอาไว้ไถธาตุฮะไถไถไถเป็นธาตุแล้วโน้ได้ได้ยบไอ้นี้ไม่ใช่ยี่ห้านี่นี่ทําธุรกิจแล้วนี่นี่เหมือนเหมือนไปตลาดไปซื้อไปซื้อประสุสัตว์หน่าไม่ใช่ยี่ห้านี่เห็นไม่ได้สูร้รบเพื่อสัจธรรมแล้วอะอะไรแบบนี้จะชนะกันได้งไง ย่าเอาอะไรเล็กน้อยของโลกดุนียนี่อัลละ์ต้องการให้พวกเจ้าได้ปราราอัลลอฮ์ทรง ع ز ي หะกีมละอัลลอฮเป็นผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงพรีชัยมท่านนบีได้มีเลยสักได้มีเฉลยศึกที่บึกษาสอาบะก็มีกลุ่มหนึ่ง ที่นำกลุ่มนี้อบอบักรให้ความเห็นกับท่านนบีว่าฉเฉลยสึกเนี่ยไม่ต้องฆ่าไม่ต้องประหารให้ถ่ายให้เขาจ่ายตังมาแล้วก็ปล่อยตัวเราก็จะมีรายได้จะได้มาอุดหนุนกองทัพอุดหนุนเสื้ออาวุธอะไรแบบนี้อุมาดุลขอตอบไม่เห็นด้วยอกกับท่านนบีครับ ที่เราทําสงครามครั้งแรกร์เชลเลยเนี่ยควรที่จะประหารชีวิตเพราะแต่ละคนเนี่ยก็มีโทษอยู่แล้วมีโทษหมายถึงว่ามีสิ่งที่เขาทําเนี่ยคือฆ่าคนนู้นฆ่าคนนี้แล้วเนี่ยก็ต้องลงโทษหมดเลยประหารชีวิตหมดเลยซึ่งตามหลักการสาจนานี่ย เป็นสิทธิ์ของแม่ทับอันนีว่าฉเฉลยสิทธิเ์เฉลยสิทธิ์เนี่ยจะปล่อยตัวฟรีฟรีก็ได้ปล่อยตัวด้วยการไถ่ตัวจ่ายดังก็ได้หรือจะประหารชีวิตก็ได้ข้อตกลงของยิเนวาไ ม, ม่เกี่ยวนะอันนี้ ร่างมาของประเทศมาหาอำนาจจะทําสงครามกันนะคนที่เป็นทหารคนที่เป็นทหารขับเครื่องบินโยนระเบิดฆ่าคนบริสุทธิ์เป็นหมืน่นฮะแต่ถูกยิงเครื่องบินเขาก็เลยอ่ามีวิธีก็กระโดดจากเครื่องบินรอด ถูกจับเป็นเฉลยข้ดกลงยินเนวาบอกว่าฆ่าไม่ได้แต่กี้เนเขาโยนระเบิดไปแล้วนะฆ่าไปแล้วนะหมื่นคนนะบริสุทธิ์ชาวเมืองนะคนละเมืองบริสุทธิ์ยินเนวาเขาบอกว่าฆ่าไม่ได้เป็นเฉลยสึกใช่คนที่เข้าสงครามาันก็เป็นนักรบ มีโทษมีบาปที่เขาทําอยู่แล้วนี่ก็คือเขา เ, เขาเขาฆ่าแล้วไงฉะนั้นจะฆ่าในสงครามหรือฆ่าหลังสงครามอ่ะนะมีค่าเดียวกันเราจะบอกว่า las, อ๋อท่าในสงครามนี่ฆ่ากันตามสบายเลยนี่ดูตะการของยินในวานะในสงครามนี่นะ่ะเชิญฆ่าตามสบายแต่ถ้าอยู่ที่สงครามแล้วอะนะใช้เรื่องห้ามฆ่านะ fit. ทำไมอ่ะแล้วบางทีนี่เป็นตัวดีเลย เป็นตัวดีเลยทำสงครามทั้งฆ่าทั้งค่งคมคืนพวกพวกทหารหรือว่าทหารยุโรปทหารยุโรปและทหาร UN นี่แหละตัวดีเลยฆ่าคนบริสุทธิ์ขมคืนผู้หญิง คงฟังต้องยุติสงครามจับถูกจัด เ, เป็นเป็นเฉลยสุดน้องค่ารู้กันแล้วรู้รู้กระจายว่าคนนี้เนี่ยข้ามเป็นแม่ทัพบนี่ที่สั่งการฆ่าทั้งเมืองเนี่ยอย่างที่บอสเนียนี่นะแม่ทัพคนนึงถูกจับ แม่ททบคนนี้นี่สั่งสังหารมุสลิมในเมืองสตริปเบเนชชาเนี่ยที่ทบสเนียเนี่ยสามมื่นห้าพันคนสังหารตลอดระยะเวลาห้าปีเนี่ยขมขืนห้า0มืนคนะสตรีมุสลิมคนๆ น, นี้พอถูกจับแล้วเนี่ยโอ้โหคำสั่งมาห้ามฆ่านะตะ้องส่งไปศาลโลกที่ลายถูกดำเนินคดี ก็ติดคุกไม่รุกอีร้อยปีคนเ่านี้แต่เห็นไนะเห็นนะคนนี้เขาเ็าเป็นอาเชกรแบบเนี้ก็ตกลงอะไรบัตรซบของของพวกประเทมหมาอำนาจที่เขาที่เขาคุ้มครองพวกแม่ทัพแม่ทัพอาเชกรเหล่านี้เรงนี้เรงนี้ขึ้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์ พราะคนที่เข้าคนนี้เข้าสงครามเข้าสถานการณ์สงครามแล้วมันเป็นนักรบปะฝีมือของเขานี่คือค่าคนนะ่ะจะเป็นบางทีกับเป็นนักรบด้วยกันหรืออาจจะเป็นคนบริสุทธิ์เนี่ก็มีแต่จะรับความคุ้มครองเพราะประเทศนี้เนี่ประกาศยุติสงครามยุติสงครามมันห้ามฆ่ากันแล้วนะไอแต่ก่อนนี้เนะี่ยตามสบายครับการอัธยาศัยครับตะกะอะไรเนี่ย ก็ตามหลักการศาสนานี่ยตามหลักการสาสนาอิสลามนะเรื่องเรื่องเฉลยเนี่ย น, นี้ก็แล้วแต่แม่ทัพก็ต้องดูดูดูสถานการณ์ก็ตอนตอนนี้เนี่ยเราก็โว้เราอยู่ในสังคมโลกเรามีข้อตกลงไ ม, ไม่มีใครรักษา ขอตกลงนี้หรแม้กระทั่งขอตกลงยินยอมนี่ไม่มีไม่มีใครรักษาฉลยเฉลยนี่คุ้มครองมีเอย่าว่าเฉลยนะครอบครัวเขาคนบริสุทธิ์สตรีและเด็กเนี่ยที่เขาไปสู้รบกับก้อยได้ไปสู้รบกับไปสู้รบกับเนี่ย กคุณเจ้าทิรักเนี่ยไปปราบราบเนี่ยกวามลับหมดทั้งเขาทั้งครอบครัวเข า, ท, เขาทั้งสตรีทั้งเด็กฆ่าหมดครอบตกลงเยนิวาอะไรนะ ท, ที่มาอ้างโอ้นี่สังคมสังคมมนุษย์ที่มีอรารยธรรมจะต้องรักษาข้อตกลงมัม่จริงหรอเก็ไม่เคยช่ห النبي صلى الله عليه وسلم هينمنا قبل سنعكم أبو بكر إجاه مايبرهان شهيداً ف ل ي و ر ك ع بن عبد เป็นเฉลยนมีนบีก็เลยสั่งให้ไทยถ่ายตวงแล้วก็เห็นว่ามันจะเป็นประโยชน์มากกว่าแต่อัลลอฮ์ได้ติท่านนบีเสมอและนี่เป็นส่วนหนึ่งที่อัลลอฮ์ได้ประทานลงมาอายะที่สนับสนุงทั่สุดของรลอนนะครขาตอบเพราะในมุตอบมีมีหลายเรื่อง ที่อัลลอฮฺเาละนำประทานอุษุนลงมาเนี่ยเพื่อสนับสนุนความเห็นของของมนุษยขาบตบแล้วลาทิตาบุมมินอัลลอฮฺ سبق แล้วมัสสะมฟีมา أخذ ตุมอาจาบอัน عظيم ฮาวไม่มีพระกนุหนดจากอัลลอฮ์ล่วงหน้าอยู่ก่อนแน่นอนการลงโทษอันมหันก็ประสบกับพวกเจ้าแล้วเนื่องในสิ่งที่พวกเจ้าเอาก็คือเรื่องถ่ายตัวเนี่ย เนืนองจากว่าอัลลอฮฺอนุมัติไปแล้วเนี่ยตั้งแต่ต้นสุร้อนเนี่ยอนุมัติไปแล้วเนี่ยเร่งซับเร่งเร่งถ่ยตัวเฉลยนี่นะอ่ะอนุมัติไปแล้วนบีก็ปรึกษาแต่ที่จริงเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮฺฮะร์รัวฺอัลลไม่ต้องการแบบนั้นแต่ในเมื่ออัลลอฮฺได้อนุมัติไปแล้ว่นะอัลลอฮ์ก็จะไม่ลงโทษแล้วเลาขีต้าบุญมิ่งบอยเนื่องจาก็มีกำหนดแล้วมากกาะอ่อนหน้านี้เนี่ยว่า อนุมาได้เอาได้ซับเฉลยก็เอาได้เฉลยนี่ถ้าถ่ายตัวนี่ก็ได้รับถ่าตัวได้เป็นเงินก็ได้แต่ถ้าไม่มีนะป่านนี้เนี่ยก็จะมีการลงโทษอย่างมหันฯมาประสบกับพวกเจ้าซึ่งงานของท่านอิบราฮิมาลออเอ็นี่ยทำแหลังจากที่ท่านนาบีแล้วก็อบูบัคค์ไดสั่งให้ถ่าตัวพวก ฉัเฉลยศึกเนี่ยหลังจากนั้นน่ะอโมรุนเขาตอบเข้ามาท่านนาบีแล้วบอกพวกว่าสองสองท่านเนี่ยร้องไห้ร้องไ ห, องไห้อย่างแรงเลยอโมรุนเขาตอบบอกว่าท่านนาบีครับโ อ, บอก้ก้องร้องไห้เพราะอะไรถ้ามีอะไรที่ผมผิดเนี่ผมจะได้ร้องไห้ด้วยคือท่านรู้สึกว่าเออวัวท่านผิดด้วยบอกว่าท่านนาบีก็เลยบอกว่าฉันเนี่ย ถูกเสนอจะถูกลงโทษซึ่งบทลงโทษเนี่ยใกล้ชิดมากใกล้ชิดมากจากที่เราได้รับการไต่ตัวแต่เราสุภาณวดาลายกโทษเนื่องจากว่าพระองค์อนุมัติตั้งแต่ต้นก่อนหน้านี้เนี่ยที่จะที่จะรครับรับผลประโยชน์จากเรื่องทรัพย์เชลยอ่ และนี่คือที่ไปที่มาที่จะให้เราได้เห็นว่าอัลลอฮซุลฮาน า, าะวะดะฮเป็นต้นนะ่ะนที่นบีออกไปเอ่อไปไล่ล่าคาราวานและอัลลอ์ไม่ให้นบีเนี่ยพบกับคาราวานนั้นนะจะได้มาพบกับกองทัพของกุเรชเนี่ยและเราบอกว่าอันนี้เนี่ยเพื่อไม่ให้ประวัติศสาสตร์จะลึกไว้ว่าอ๋อหนีกองทัพของนบีออกมาไล่ล่าสตังออกมาไล่ล่า ธุรกิจของกูร์เลชเนี่ยไม่ออกมาเพื่อมาประทักษ์มาต่อสู้กับศัตรูที่เขาที่เขากำลังกำลังขัดขวางสัจธรรมเช่นเดียวกันในการที่จะทำสงครามหรือจะสู้รบเนี่ยอย่าให้มีอะไรแอบแฝงอันเป็นวัตถุประสงค์ของโลกดุนยหนี้อันเล็กน้อยสู้ทาไมอย่อ ตรงนี้ได้ซับเฉลยเราจะได้มีเฉลยเยอะๆะเฉลยเยอะก็จะได้มีธาตุเยอะอย่งไรมีคนระโย่เนี่ยเป็แบบนี้ก็ไม่ดีต่อสู้กับเบื้องขอความจริงแล้วนี่แต่ถ้าหากว่าสู้รบเต็มที่แล้วทําหน้าที่ในการสู้รบแล้วมีทรัพยบเฉลยก็จริงมี่เลยก็จริงแล้ว่นะอันนี้ก็เป็นที่อนุโลมเป็นฮัลลาลัมติแล้วก็มตุม ฮาลาลตุยเบาะัตตักุลลอฮดังนั้นพวกเจ้าจงบริโภคสิ่งอนุญาตที่ดีจากสิ่งที่พวกเจ้าได้มาจากการทำศึกก็คือเร่งสัพเร่เฉลยนะแล้วเพืเงยียงเกรงอัลลอฮเถิดคือตกกากตออัลลอฮอย่าให้มีเจตานารมอแอบแฝงในการทำจิฮาดอื่นจาก تجاءي ب د م ل ى النصب حنود على سونس إن الله غ ف و ر رحيم ه ذ م الله نكبو سون أبا ي ت و ب و سون إن م ع ه ا ي ن ت ل َ م ُ أ َ ن ه ُ ل م ا ا ل ق ل ب م ا ف ا ل ْ أ و ا ا ل أ م ا ف ِ ل ْ و ا ف ا ل ْ أ م ا ف ي ا ل ْ و َ ا ل م ا فِي ا ل و م ع ا ل و ا ي ا م ي ر و م ا ل ر م